ธรรมชาดกแผ่นที่ส1บอลำดับที่ส4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่เจ็ดตุลาคม2557ห้าสเจ็มีชื่อเรื่องว่าความพิเศษของวังคีสัตวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง คณะสงฆ์กับคณะสัายาติโยมทางโรงพยาบาลเห็นพ้องต้องกันว่าโรงพยาบาลอำเภอสังคมของพวกเราจุดติดฝั่งโหงอยู่ใกล้กับประเทศลาวเป็นประเทศที่เพื่อนบ้านต่อไปนี้ก็ใน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 หรือว่ามีผู้มีอายุมากก็เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทุกคนก็มีจุดจบนะขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมอย่าไปถ่ายรูปที่มีแฟดนะลูกหลานนะอยู่ในความสงบซะก่อนหลวงพ่อคงจะพูดไม่มากแต่ให้ฟังฟังดูที่หลวงพ่อนานทีนานทีจะได้มาแสดงธรรมให้กับลูกหลานได้ฟัง เพื่อฟังเพื่อการศึกษาแต่ลูกหลานไปวัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อมีได้แจกเอ็พีสให้กับพวกลูกหลานนํามาฟังแต่บางคนก็อาจจะไม่ฟังเอามาเก็บๆไว้อย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อก็คิดว่าอีกสักวันหนึ่งถ้าว่าคนนั้นพูดว่าเอ้ได้ฟังเทศหลงวงพ่ออินไหมอของโอผมก็มีอยู่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 ก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังใจจิตใจของผู้ฟังได้อัดฟังทำได้ฟังหลักเหตุผลจิตใจของพวกเราก็จะได้รับความสงบความผ่องใสอันนี้ก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง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 เป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอันนั้นบอกภาวนามย์ปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาคณนะนรายณ์ญาติโยมลูกหลานคือท่านให้นั่งภาวนาจิตใจให้สงบซะก่อนจากนั้นจึงค่อยนำมาพิจารณาออกทางปัญญาเอ่อก็เป็นปัญญาที่แท้จริงและตัดสินใจได้เด็ดขาด เพราะว่าภาวนามย์ปัญญาเพราะนั้นสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าลูกหลานไม่ได้ยินได้ฟังจะเฉลยวฉลาดขึ้นมานั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ก็วันหนึ่งพวกเราก็จะได้ยินได้ฟังไม่เหลี่ยมใดกเ็เรื่องหนึ่งในหลักธรรมคำสอนเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า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 อาคารหลังนี้ก็หรวงพ่อคิดว่าไม่เหลือวิสัยสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่ามีความตั้งใจมีความพร้อมเพียงสมัคี่เพราะว่าบางท่านบางคนก็อยากจะสร้างเหมือนกันสร้างโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นเครื่องเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่ง เพราะว่าพี่น้องประชาชนในชนนบดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เจ็บไข้ได้ป่วยและจะขนคนของเราเข้าไปในเมืองก็ไกลถ้าหากว่าโรงพยาบาลของเรามีศักยภาพมีหมอมีพยาบาลมีครบที่จะรักษาเบื้องต้นใครจะอยากจะไป นอกออกจากบ้านของพวกเราก็คงจะรักษากันที่นี่เพราะนั้นหลวงพ่อเห็นอาคารหลังนี้แล้วหลวงพ่อก็เห็นแล้วก็อุ่นใจแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็มั่นใจในความตั้งใจของพวกครูบาที่เป็นน้องนองของหลวงพ่อและก็ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมูเ่เหล่าก็คงจะช่วยๆกันทํา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 เจตตะคือความฝักใฝ่อยากจะช่วยให้มันเสร็จวิมังสาการกรองไตรตองหาเหตุและผลที่จะทำให้เรื่องนั้นให้สำเร็จนี่แหละเรียกว่าอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สีอย่างนี้ก็หลวงพ่อก็คิดว่าพวกเราถึงอย่างไม่มีเงินเป็นก้อนเป็นกรอบเป็นกรรมแต่คิดว่าเสร็จสำเร็จได้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 กับตึกหลงตาติดตึกตึกหลงตาที่โรงพยาบาลสูนุรอนหลังนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เงินประมาณ80ดกว่าล้านเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่จอดรถถ้าทํางานชิ้นใดก็ตามเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ประโยชน์เกิดประโยชน์พวกผู้สร้างนี่นก็อบอุ่นอกอุ่นใจอย่างที่หลวงพ่อไปสร้างตึกที่ว่าน เออตึกสิบชั้นจอดรถได้ประมาณเ0 0รคันเออวันวันไหนที่หลวงพ่อไปประมาณสักบ่าย 3-4 สี่โมงเย็นเออพวกเลิ ก, ลกงานทางโรงพยาบาลเขาเลิกงานและขึ้นไปขับเอารถลงมาลงพ่อไปยืนยืนดูมองมองดูเหมือนกับพวกมดไหลออกมาจากรู่นันแหละเออออกมาจากรูออกมาจาก ร, รู้ที่มันไหลออกมาเห็นโอ้โหเป็นเส้นเป็นสายหลวงพ่อเห็นแล้วก็อเออเนีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเกิดประโยชน์จริงๆเออเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะคณะจัททายาธโยมลูกหลานหลวงพ่อยังได้ไปตึกชั้นล่างสุสดหลวงพ่อก็ได้ไปพูดกับทางโรงพยาบาลทางพอ อ, ออเขาอีก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 ท่านไม่อยากไม่อยากจะให้ทำแต่ตามไม่จริงก็น่าเห็นใจเหมือนกันถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าหลวงพ่อเคยพูดไปนะเพราะว่าไม่มีเหาหาเหาใส่หัวลักษณะอย่างนั้นแหะหลวงพ่อเอา โ, โอ้ควรจะเห็นแก่พี่น้องประชาชนความยากจนเพราะฉะนั้นข อ, อทําชั้นล่างเถอะพออคณะกรรมการโรงพยาบาลจากนั้นก็เอา้าจุดแท้แต่หลวงพ่อ จากนะั้นหลวงพ่อก็ได้ทำชั้นล่างนะคณะสัทยาญาณโยมลูกหลานเนอะถ้าหากว่าไปโรงพยาบาลศูนย์อุดอรไม่มีที่พักนะไปพักตึกของหลวงพ่อในะชั้นล่างและมีห้องน้ำห้อง อ, อ, อะไรทุกอย่างอํานวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่หลวงพ่อไปทําแต่ขณะ น, นี้ทางขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะ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 เขามามอบให้โรงพยาบาลศูนย์อุดรคันหนึ่งเขาคิดว่าเขาจะมารับรถที่วัดของหลวงพ่อในวันที่5นัดกันมาแล้วรถเสร็จแล้วคือรถคันนี้หลวงพ่อบอกว่ากำลังสูงหน่อยนะเอากำลังส0 0พัน่ามปกติเขาจะใช้รถเพียง 2,500 แต่หลวงพ่อให้ใช้3 0 0พันเพราะอุดรบางทีก็ได้วิ่งตามเสด็จอะไรใช้รถ ที่มีกําลังน้อยก็ยังไงควรจะเอากําลังสูงหน่อยเพราะว่ารถคันนี้ก็สำหรับเป็นเครื่องอตุ่นกระตุนหัวใจด้วยแล้วออกซิเจนด้วยให้ครบในรถคันนี้นี่หละวันที่ห้าที่จะถึงนี้แหละหลวงพ่อจะได้มอบรถแอมโบรเรนให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรคือตึกเนี่ยตึกของหลวงตานี่แหละ ราคารถคันนี้ก็ประมาณล้านเก้านะนะที่จะมอบใหนะ้และการพูดทางนี้ทั้งนั้นบางคนบางพระครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายบางองค์เขาก็ว่าหลวงพ่ออินขี้อวดพอทำเกินมาแล้วก็อวดหน้าอวดหลังฮหนะเขาว่านะหลวงพ่อก็ได้ยนินแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ได้อวดเรื่องลูกหลานเนะ้อเพราะว่า สมัยหลวงพ่อเป็นเนนสมัยเป็นพระนุ่งเขาบอกว่าพระในพระพุทธศาสนานี่ยเป็นกาฝากของสังคมเป็นคาฝากของชุมชนไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยเนี่แหละถ้าหากว่ามีพักคอมนันได้ขึ้นมาเขาจะจัดการเรื่องของพระนี่แหละ เ, เขาว่าอย่างนั้นในสมัยนั้นหลวงพ่อก็เลยประทับใจในใจอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อ เห็นหลวงตาท่านทำอะไรสร้างโรงพยาบาลท่านก็ประกาศหาทองคำเข้าคังหลวงท่านก็พูดแต่ตอนเช้าถ้าพวกเราให้ฟังหรือสิว่าหลวงตาพูดเพื่ออะไรนี่แหละคือพูดให้พวกคณะสัตวทาญาติโยมลูกหลานได้ฟังว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่สอนแต่ธรรมะอย่างเดียวท่านให้ทางรูปธรรมด้วยสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน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 เป็นเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงนะเป็นบริษัทโอลิมปัสจ่ายเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างมากดีมากครับหลวงพ่อหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ดีใจอุ่นใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้มาจากไหนจะถูกปัจจัยก็ได้มาจากพี่น้องประชาชนที่เขาไปกราบไปไหว้ถาวายคนละห้าคนละสิบคนละร้อยคนละพันหลวงพ่อก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้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 อาคารโรงเรียนกีหลังที่ท่านแนะนำสั ง, สงแนะนำศรัทธาญาติโยมของท่านาที่มาสร้างให้กับพี่น้องประชาชนาพี่น้องประชาชนก็ได้เข้ามาเร่เรียนศึกษาถ้าท่านไม่แนะนําท่านไม่บอกไม่บอกกล่าวแล้วศรัทธาญาติโยมเขาจะถวายเขาจะมาสร้างให้ได้อย่างไรนี่ต้องอาศัยพระสงฆ์เหมือนกันบางอย่างเพราะนั้นหลวงพ่อเอง อยู่ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์หลวงพ่อก็พยายามอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหลวงพ่อก่อนั่นแหละช่วยเหลืออันนี้ก็คือการสงเคราะห์การสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนและสังคมแต่ทั้งด้านนามธรรมาหลวงพ่อเองก็พยายามบอกกล่าวเหมือนกันพี่น้องศรัทธาญยยาติโยมลูกหลานเลยถ้าพวกเรา ถึงจะเลี้ยงร่างกายของพวกเราถึงจะซ่อแสวงหาทรัพย์มากมายมหาศาลล่ํารวยขนาดไหนก็เถอะมาเลี้ยงร่างกายถึงจะเอาอาหารดีๆทุกอย่างมาทานถึงจะมีผ้านุ่งหม่มสวยๆมานุ่งหม่มถึงจะมียาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีๆราคาแพงๆมามาทาน มาเป็นยารักษาโรคและก็จะสร้างบ้านหรูหราโออาขนาดไหนที่ให้ร่างกายนี้อยู่แต่เมื่ออยู่ในบ้านนานๆเข้ า, เ, าเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเด่นก็เห็นตาฝ้าฟางเด่นก็เห็นหัดหูตึงเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวก็เห็นหลังคล่อมต่อไปเลยใช่ไมมเท้ า, าต่อไปก็ถ้าไม่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 การส่อสแสวงบุญเข้าสู่จิตใจนี่อย่างวันนี้ละพวกเราพณะสัทธ า, าติโจมได้มาร่วมกันฟังไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังพระปริตมงคลจากครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มาฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อกำลังกล่าวสัมมนาธนิยกถาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง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 ที่โครนต้นโพพุทธคยาวันเดือนหกเพนที่ พ, อพอระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านรู้ได้ว่ามนุษย์เกิดมาแล้วตายไปแล้วไม่สูญแต่ว่ามิใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ทีเดียวไม่ใช่บางคนทำความชั่วไปตกนรกบางคงไม่ถึงกับตกนรกไปเป็นเปรต แต่บางคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์ทิราชฉานบางคนก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมมีเพราะนั้นพระพุทธองค์รู้ทั้งหมดเออแปลว่าสยามผู่รู้แจ้งโกอกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าควรจะฟังพระพุทธเจ้าควรจะศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจุดประสองค์อะไร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 แต่พจน์เล็กๆค้อนเล็กๆเข้อทำหลักข้อกะโหลกศีรษะของกลอนเขามีค้อนขึ้นมาเคาะให้เข้าว่าเป็นมีความรู้ของเขาอย่างหนึ่งทีนี้เขาก็มาเคาะเคระกโหลกสัตว์ก็ตามกระโหลกมนุษย์ก็ตามพอก่อแล้วเขาจะทํานายได้ว่ากะโหลกนี้ไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นไปตกนรก หรือไปเกิดเป็นสัตว์ริษานหรือไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นครมอะไรเขาก็ทำนายได้ทีนี้เขาก็มีวงสาคนายาติโอคนนี้มีความรู้พิเศษเขาก็ใส่ชุดให้เป็นเหมือนกับแต่งตัวเหมือนกับพรามลักษณะอย่างนั้นน่ะใส่ชุดสีแดงให้เป็นสีแปลกตาแ ป, กแปลกใจของคนทั้งหลายจากนั้นก็ ถามแห่ไปอะไรตัวนี่เอไปถึงหมู่บ้านก็ประกาศนะเนี่ยเออใครอยากจะรู้ว่าญาติพี่น้องอวงสาคนาญาติของพวกท่านทั้งหลายไปเกิดณนสะถานที่ใดเอากะโหลกมากะโหลกศีรษะม า, าพรามณ์ของเราเนี่ยคนของเราเนี่ยอาจารย์ของเราเนี่ยปรมาจารย์ของเราเนี่ยเลิศประเสริฐเขะได้รู้ได้ทั้งหมดทีนี้เขาก็แห่เอาไปตาม หมู่บ้านชนบทต่างๆแล้วเขาก็เคาะคนละหบาทสิบบาทยี่สิบาทสูแท่แต่ใครจะให้เขาก็เป็นสินจ้างรางวัลเขาก็แพห่ไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงสาวัตถีกรุงสาวัตถีคือพระพุทธเจ้าของเราประทรับอยู่ที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารตอนี้นเขาก็ไปพักไม่ไกลจากวัดป่าเชิตะวันเขาไปยึดอาคารหรือว่าเขาไป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 ทีนี้พราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยก็เห็นคนผ่านเข้าไปพวกสูเจ้าไปไหนเขาบอกว่าไปกราบพระพุทธเจ้าโอจะไปทําไมไม่มีใครที่จะยิ่งกว่านี่แต่วังคีสัของเราเนี่ยพราหมณ์ของเราเนี่แม่นที่สุดดีที่สุดรู้รอบที่สุดอ่ามาเนี่ยมาหามาหาพราหมณ์ของเราเนี่ยวังคีสาพวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าโอ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 นี่แหละลักษณะอย่างนั้น่ะในครั้งพุทธการก็มีแต่ี <c> ้ <oughs> พอถกเถียงกันแล้วก็เจ้าถิ่นเขาก็แข็งกว่าทตนที่พวกพราหมณ์ที่มาจากกรุงราชคฤห์ที่เป็นพระวังคีสาน่ะ <c oughs> เขาก็เออถ้าอย่างนั้นไปไปกราบพระพุทธเจ้าซะก่อนไปฟังทุก่อนจะไปถกเถียงกันกันอะไรกัเลยแห่กันเข้ า, ขาไปอเป็นกลุ่ม พระพระไเจ้ารู้ว่าเออวังคีสาเนี่ยเขาจะมาออหาเราเพราะพระองค์ก็ให้เตรียมกะโหลกศีรษะไว้ห้ากะโหลกใช่กะโหลกศีรษะไว้ไว้มาห้าเตรียมไว้ห้ากะโหลกจากนั้นวังคีสาก็มามาถึงพระพุทธองค์ก็ถามว่าวังคีสัพราหมณ์ท่านมาออท่านไปอะไรวังคีสัพราหมณ์ก็บอกว่ากระผม ได้ไปเที่ยวในตามชนบทต่างๆแล้วก็เคาะกระโหลกศีรษะของคนก็จะรู้ได้ว่าใครไปเกิดณสถานที่ใดเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ได้มาเที่ยวกระโหลกเคาะกะโหลกเขาก็ให้รางวัลตามที่ตองกะตามที่เขาจะจะให้ก็มาด้เรียกร้องอะไรใครให้มากใครน้อยก็รับตามนั้น พอพระโองบอโอ้ดีละ่ะเอาวังคีส า, าทดลองเคาะเลยสิพระโต้งให้เคาะกะโหลกที่ไปตกนรกนะวิญญาณที่ไปตกนรกนะพอเอาวินกระโหลกนั่นมาวังคีสากา็นึกในใจนะกำหนดใจอล้ายๆกับกำหนดมนต์ตัวเองนะ่ะนึกในใจเสร็จแล้วก็เคาะกระโหลกนะป๊อก กำหนดนิ่งปราบทูนพระพุทธเจ้าวะกระโหลกนี้ไปนรกกระหลกนี่ไปนรกพระพุทธเจ้าโอ้ดีละถูกต้องถูกต้องเออคล้ายๆกับแบบสาธุสาธุาธดีละดีละถูกต้องแล้วก็เอากระโหลกที่สองให้เอกเอออเอกป๊อกป๊อกป๊อโอ้กระโหลกนี่ไปเป็นเปลือเอ่แต่ไม่ถึงกระตกนรกแต่เป็นเปลือพระองค์ก็ ยอถูกต้องต่อมาข้ อ, อกะโหลกที่ไปเกิดเป็นสัตว์ทีาฉาญต่อมากเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาข้ อ, อกะโหลกไปเกิดเป็น เ, เทวดาชั้นสวรรค์แต่นี้พอเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้กระโหลกข้ อ, อกะโหลกพระอราหันทร์ทีนี้มีกระโหลกพระอราหันต์มาด้วยให้วังคีสัเขาะดูพอที่นี้พระวังคีสะเคาะกะโหลกพระอราหารันต์ พอคอไปแล้วไม่รู้จากทางไปทางมาเลยเงียบเพ็บพอพระหารเข้าสู่นิพพานเออมันไปได้ไปวกวนเวียนในโลกวัตฏสงสารเราะที่ในเงียบเค็บเคาะสองสามครั้งพระพุทธองค์ก็ถามว่าวังคีสะกกระโหลกนี้เขาไปเกิดที่ไหนไม่รู้พระเจ้าค่ะพระพองค์บอกว่าเธอไม่รู้เรารู้นะวังคีสั โอ้ถ้าพระพุทธองค์รู้บอกมนไอ้อันนี้ให้ข้าพระองค์ด้วยครับผมพระพทธองค์บอกว่าบอกไม่ได้ต้งบวชซะก่อนเราจะถ้าหาว่าใครบวชให้ถ้าใครบวชเราจะให้ไอ้เวทมนตน์ตัวนี้ถ้าหากว่าไม่บวชไม่ให้โอ้ถ้างั้นข้าพระองค์ขอบวชไอขอบวชในสำนักพระพุทธไต่เจ้า เพราะว่าข้าพระ อ, องค์อยากจะได้คาถาบทนี้เพราะเคาะกระโหลกนี่นะ่ะไม่รู้ทางไปทางมาพระ อ, องค์อเอบอบวชพอบวชเสร็จแล้วพระพ อ, องค์ให้สาทายายออาการ32ของร่างกายเกษาผมโลมาผลนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยือในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังปิดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า พรามคนนี้เขาสาทายายทบทวนไปทบทวนมาเออได้สองสามวันแต่ในลูกน้องก็มาถามอาจารย์อาจารย์าารยเป็นไงเรียนจบหรือยังเออทางพราม์บางคีสานี่ยเบอกโอ้ยอย่างอย่างอย่าง อ, อ, อยเพิ่งมายุ่งไปรอรอก่อน เ, อเดี๋ยวเรียนจบแล้วจะบอกจะเข้ามาใกล้กําลังกําลังเรียนเรียนอย่อยาง อ, อย่างจดจ่ออย่างขมักขเม็ดพูดง่ายๆ พอได้ศึพอเรียนไปไม่นานนะเออเกิดความเบื่อหน่ายคายใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เหนไหเออพอเสียน้ำเป็นพระอรหันต์ตอนนี้พวกลูกน้องก็มาเห็นมาถามว่าอาจารย์เรียนจบแล้วอยังอาจารย์โห้เออไปสู้เจ้าจะไปหากินที่ไหนก็ไปเถอะข้าไม่ไปแล้วข้าจะอยู่ที่นี่แหละเราเรียนจบหมดทุกอย่างแล้ว ตอนน้พระสงฆ์ก็เลยไปกราบคูณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยพระวังคีสาเนี่ยบวชใหม่อวดอ้างพระอรหันต์ว่าตัวเองจบเจนหมดแล้วพระธองค์เรียกพระวังคีสามาถามว่าเป็นไงวังคีส่าเพระวังคีส่าบอกว่ากระผมเรียนจบแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์รับรองเลยนี่แหละดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายวังคีสาเนี่ยเป็นบุตรของเราเขาเรียนจบแล้ว เขาได้เป็นพระอาหารหันแล้วเพราะฉะนั้นเขารู้เจนจบหมดทุกอย่างแล้วเขาไม่ไปหลงโลกอีกแล้วนี่แหละจากนั้นลูกน้องบริวารของพระวังคีสะก็เลยบวชในสำนักของอาจารย์สำนักของพระพุทธใจจานี่แหละสรุปแล้วก็คือคนในครั้งกันโนในครั้งพุทธการเขาก็สงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย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 พระอาทิตย์ยังไม่ตัดตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อัดจดงเราสถาคตนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพตามลำพังนายโสธิยะได้นาําญ้าคาผ่านมาไปเกี่ยวหญ้าคาผ่านมาเขาเห็นตถาคตนั่งอยู่ตามลาําพังนายโสธิยะได้นาําญ้าคาเข้ามามอบให้แกะกมือในเมื่อเราได้รับหญ้าคาแปะกมือจากนายโสธิยะ เราก็หามุมหาทิศทางที่เราจะนั่งตรงไหนเราก็ได้เกียร์ย่ยาขาปูญ่าขาทางทิศ ต, ตะวันออกของต้นโพจากนั้นเมื่อเราปูสลับหัวหางย้าขาเสร็จเรียบร้อยเป็นอาสนะแล้วเออเป็นอาสนะแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งบนอาสนะเออขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรง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 รู้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นจากนั้นใจพระไทยของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณทัศน์ขึ้นเกิดฌานจิตวิปเพนิวาสานุจติยานละลึกลำลึกชาติผลหลังได้นี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าพระพุทธองค์ตายเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะละลึกที่ละลึกชาติผลหลังได้อย่างไงอันนี้พระพุทธองค์ละลึก ชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพนิวาสานุจติยาและลึกชาติผลหลังได้เรามาจากไหนมาเกิดที่นี่แล้วชาติผลก่อนเป็นอะไรพระองค์รู้ทั้งหมดเลยนี่แหละอันนี้ว่าตอนหัวข่ําตอนย่าข่าตอนหัวข่ําที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ปุเพนิวาสานุจติยาพอถึงเที่ยงคืนรพระองค์ก็ ดูคนอื่นทีนี่อยา่างคุณพ่อนั่งอยู่นี่นะ่ะนั่งดูคนอื่นคนนี้มาจากไหนโยงคนนี้มาจากไหนดวงวิญญาณนี่มาจากไหนพระองค์ก็รู้ทั้งหมดจัวะว่าแต่ละดวงวิญญาณมีที่ไปที่มาทั้งหมดจังหวัดจุตูปะปะตาตยานการจุดสิ่งนับการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวเป็นมนุษย์แต่ว่า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 เป็นไป ด, ด้วยดีทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเราทํากรรมชั่วในอดีตกรรมชั่วให้ผลเราก็ทุกข์ลาบากเดือดร้อนมีความทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสท่านจึงตรัสว่ากรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอ กับพระนักัตยทาญาตโยมโุกุคท่านนะนี่แหละอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่าทํากรรมที่ไม่ไมดีอย่าทํากรรมที่คิดชั่วทําชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าพ่อคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่แหละขอให้ขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมแต่ถึงอย่างไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเออถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ถึงจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกเลีหนีความตายไปได้แต่ที่เราสร้างโรงพยาบาลขึ้นมานี่ก็เพื่อประทงังเพื่อรักษาเออที่มันเก็บไข้ได้ป่วยออถ้าไม่ถึงไม่ถึงข่าวของมันก็ รักษาไว้ก่อนเขาบอยาเขาว่ายาเขาบอกยาไว้ก่อนแต่ถ้าว่ามันถึงจุดจบจริงๆมันก็ยาไม่อยู่เหมือนกันเพราะมันกระป๋องหรือว่าคุของเรากระป๋องของเรามันรูใหญ่เออมันไม่รู้จะยาทางไหนมันก็พังทลายไปได้แต่พอที่จะยาได้มันมีรูเล็กๆพอที่จะปิดพอที่จะยาได้เราก็ยาไป นี่แหละคำว่ายาๆก็คแบบือร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะรักษาได้เราก็ยาไปก่อนถ้าเรารักษาไม่ได้ไม่ว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเราละ่ะคณะหมอคณะหม อ, ห, มอหรือพยาบาลหรือว่าคณะศาสตราจารย์ของหมอก็ไม่มีใครที่จะหนีกลีหนีมรณะภัยไปได้ผลในสุดถึงจุดจบด้วยกันทุกคน แต่เมื่อถึงจุดจบแล้วตายแล้วไม่ศูญให้ฟังเอาไว้คำนี้ให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้ถ้าพวกเรามีบุญ ม, ม, ม, มีกุศลมีบุญมีกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเราตั้งใจเรามีความพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนเรา เ, าเกิดขึ้นมาแล้วเราสสแสวงหาทรัพย์ เ, เมื่อรถคันนี้หายรถคันนี้ชำรุดเราก็ไปซื้อรถคันใหม่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 ถ้าเราไม่มีบุญแล้วไม่มีไปเกิดที่ไหนไม่ได้เผลอๆไปกัดไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทางนั้นนะคณะสัตว า, ายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะวันนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคน เ, เบื้องต้นที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวเป็นพุทธภารรษีว่าอโรขยาปรมาลาพา ความไม่มีโรคความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐความไม่มีโรค เ, เป็นความสุขที่สูงสุด ข, ของมนุษย์ถ้าว่าคนเราเกิดมามีโครคภัยไข้เจ็บแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนแต่ถึงยังไงทุกคนก็มีจุดจบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่ถึงยังไงผมขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจตายแล้วไม่สูนคํานี้ฝังเอาไว้อีกอาตายแล้วไม่สูนแต่ทุกคนมีจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ความตายเป็นของที่แน่นอนที่สุดเรียกว่าเป็นอนิจเป็นนิจจังชวนอื่นเป็นอนิจจ์นะอนิจจ์แปลว่าของไม่เทีย่ยงแต่ความตายในเป็นนิจจง เป็นของเทีย่ยเกิดมาเท่าไรตายเท่านะั้นไม่มีใครที่จะหลีกลิ่ยหีพ้นไปได้เพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านให้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเตืนเอนเตือนพราหมณ์เกินคนแก่ในยุคครั้งพุทธกาลท่านบอกว่าโยมอมท่านจะต้องเดินทางไกลนะท่านจะต้องเดินทางไกล ท่านได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้หรือยังะเบียงเดินทางของท่านน่ะได้เตรียมไว้หรือยังถ้าหากว่าไม่มีการเตรียมเสบียงเดินทางถึงคราวเดินทางท่านไม่มีเสบียงไม่มีเงินไม่มีของที่จะเดินทางนะั่นน่ะท่านจะลําบากนะท่านจะทุกข์นะในการเดินทางเพราะฉะนั้นให้ท่านเตรียมมาไว้ท่านจะต้องเดินทางไกลแน่ๆนี่แหละ อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านเตือนพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลว่าถ้าพูดแบบตรงๆก็ว่ายมอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านะยมจะต้องตายนะแล้วเมื่อตายไปแล้วบุญกุศลที่ด้ที่ได้สร้างไวนะ้น่ะมีไหมเป็นที่อุ่นใจเป็นที่ระลึกเออเราได้ทำอะไรไปบ้างได้สวดมนต์ได้นั่งภาวนาได้ปฏิบัติให้ทานรักษาศีลปฏิบัติบิดามารดา เอออันไหนบ้างที่คุณ ง, งามความดีเป็นที่อุ่นใจมีหรื อ, อยังถ้าไม่มีทํานะเออสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะจะได้เดินทางไกลแน่ๆนะตายแล้วไม่สูญนะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลวันนั้นขอเออที่หลวงพ่อได้นำทำคาสอนของพระพุทธศาสนารมคาสอนของพระพุทธเจ้า มาสาธกหรือมาแนะนำให้พี่น้องประชาชนที่ให้ได้ยินได้ฟังก็ขอให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความนึกคิดกันกรองไตรตรองเหตุและผลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็จะระสบแต่ความสุขความเย็นใจอยู่น่าจะฐานที่ใดมีแต่ความสุขถึงพวกเราจะจากโลกไป พวกเราได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลเราก็หลับตาชนิดเออถึงข่าวของข้าแล้วแต่ข้าถึงยังไงย่ารักษาก็คงไม่หายก็คงจะไม่มีอะไรออที่จะดียิ่งกว่าเพราะพวกเราหมดเพียงแค่นี้แหละชาตินี้เอาเถอะ เ, เกิดพบหน้าชาติหน้าออยังค่อยบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปนี่นะนี่เราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ บุญกุศลมันเป็นที่พึ่งขั้นสุดท้ายยี่ว่าปุญญานิพระโลกัตสมิงปฏิฐาโหติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาวันนั้นโลกนี้เราก็พึ่งบุญเอ่อถ้าเกิดมาพบนาชาติหนาเราก็พึ่งบุญบุญอีกถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเราจะพึ่งอะไรนี่แนะ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 ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านเทินสาธุ